ครับ <snacks> คุณน <improving> ัดดครับคุณนัดดุลสวับครับสุดท้ายครับคุณนัดดคุณนดสวดีครับครับสดีครับข่าวจันจอมละติภัณครับหลายรายการของเรารัฐตรงที่ว่าเราต้ก็ต่อไปเนี่ยไม่รู้จะปิดหรือถูก่อนนนะคือคือคืออันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นหัวใจของของการตีความอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วแล้วก็กนไปถึง ผมก็จะเสริมปัญหาของคุณสุชีพนี่นะครับแล้วก็มีของของคุณสมชาติเนี่ยที่บอกว่าเผด็จการเนี่ยเราเราอย่ามายึดคำคำภาษาเลยนะครับเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆริงศาสนาพุทธเนี่ยที่อาจารย์มสินพูดะถูกเราเผด็จการโดยธรรมเนี่ยหลักการปกครองสงฆ์นี่ก็ก็ถ้าจะจริงๆก็ริดลอนสิทธินั่นนะครับพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีอะไรได้เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ทรัพย์ส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสังคมนิยมก็จริงๆก็เป็นปลาปลายแถว ลอกลอกจากของาศาสนาพุทธไปอันนี้อันหนึ่งนะครับนี่นี่เป็นความเห็นของผมนะครับปิดถูกยังไงก็ไม่รู้นะนะครับ <c oughs> ก็ก็เสริมว่าเผด็จการโดยทําก็น่าจะใช้ได้ <c oughs> และอีกอันหนึ่งก็คือที่คุณสุเชษพูดถึง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ก็คือการแสดงสุชาตนะิขอโทษนะครับการแสดงความคิดเห็นอะไรที่ออกไปเนี่ยอมันมันอาจจะมีคล้ายๆกับว่าอใช้ใช้อัตโนมัตินะนะครับหรือว่าช่วงระยะเวลาที่มันสั้นพูดไม่ได้ใจความอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับพอพูดออกไปเสือออกไปแล้ว สื่อทางวิทยุหรือว่ า, าโทรทัศน์เนี่ยมันไม่สื่อสื่อไม่ถาวรพูดไปแล้วก็หายไปเลยเนี่ยมันมันมันมีปัญหาสําหรับคนคนที่ฟังผมยกตัวอย่างเลยนะครับ ค, คิดว่าคงจะตรงกับคุณคุณคุณสุชาติเนี่ยนะครับทีท่ทีทททท่ตอนเมือม่อเมื่อตอนวันเด็กซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีรายการวิทยุมีมีคนมาเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นเป็นวิทยากรให้ถามเนี่ยนะครับแม่เขาก็โทรไปถามบอกว่า ลูกเนี่ยเวลาไปโรงเรีย น, นยมีเงินได้เท่าไหร่เนี่ย น, น, นะครับยอมอดนะนะครับซื้อขนมแจกเพื่อนบ้างมีขนมก็แบ่งให้เพื่อนบ้างเนี่ยเพราะอะไรนะครับวิี้ยกรท่านนั้นกลายเป็นหัวลอกขำว่าก็เด็กวัยอย่างนี้คงจะอยากได้เพื่อนเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าฟังไปแค่นั้นนะมันมันก็อาจจะใช่ใช่ไหมครับแต่ฟังลึกๆไปทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพอประมา ของเราคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจิตใจอาจจะอ่อนโยนอ่อนไหวรว่วมีเมตตาทําอะไรเงี้ยมันมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของของเด็กเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยที่ที่คุณสุชาติอ่ะเราเราเราไม่อยากให้ผ่านไปแบบนั้นนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะท่านอาจารย์ครับไม่ไม่มีครับครับไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมที่โทรมาเหมือนกับให้กําลังใจครับผม วันนี้ก็หมดเวลาต้รงมาท่า<อ>นอาจารย์จะได้พักนะท่ น, นรราอาจารย์นะฮะประกาศขอบคุณนอาจารย์ว ส, สิงค์ครับขอบคุณท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัท่านอาจารย์ครับอครับเกณฑ์ท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็คงต่อครัายังไม่ได้สวัสดีทั้งผู้ฟังสวัสดีทุกท่านนะครับครับก็วันนี้ก็เรื่องโยนิโสมันการใช้โยนิโสมนนัสิการนะครับครับ ก็คงต่อจากข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วก็พูดมาถึงหัวข้อที่ห้านะครับคิดแบบอัฒธรรมสัมพันธ์ทีนี้ก็วันนี้จะพูดพัวข้อที่หกครับัข้อที่หกคิดแบบหาคุณโทษและทางออกหาคุณโทษและทางออกอันนี้ วันก่อนนี้ดูเหมือนได้พูดไว้บ้างแล้วนะครับแอบแต่ว่าจะขอพูดซ้ำอีกทีเพราะว่ามันเป็นวัวข้อนี้โดยตรงที่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องดูถึงลักษณะของสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรมันเป็นอย่างไร แล้วก็เหตุเกิดของสิ่งนั้นเรียกว่าสมุทัยครัแบแล้วก็อสาธะอสาธะคื อ, อรถที่น่ายินดีอสาธาจำได้ไหมอัศธาโอ้อัศธาค่ะรถที่น่ายินดีของมันอาที น, น, น, นวะโทษของมันแล้วก็นิสรณ ะ, ะทางโ อ, อ ครับเพื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นว่ามีโทษเพราะมีทางออกอย่างไรครับอะไรนี้นะครับแต่ว่าคิดแบบมองหาคุณและโทษครับแก็ทาหาทั้งคุณและโทษของมันนะครับครับแล้วก็ทางออกครับและทางออกสิ่งนั้นถ้ามันเป็นโทษนะฮะ ค, นะครับอย่างเช่นว่า เ, เรื่องกรรมคุณเรื่องกรรมคุณหน้าเนี่ยนะฮะครับ ที่ครอบงำคนทั้งหลายทั้งปวงอยงงงู่ยว่ารูปเสียงกรินรโพทธภพแล้วก็สิ่งนี้ว่ามันลักษณะของมันเป็นอย่างไรเช่นในพระบาลีก็พูดถึงว่าอิทธากันตามนาปารุปาสัตตาคันทารัสาโพุทธบา รูปเสียงกลิ่นรสพดทัพพที่น่าขายน่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็เยา ว, วาปนสติโหติซื้ออะไรทํานองนั้นสามสิ่งลายเดหรืออะไรทํานองนั้น <Okay. S 1> แล้วก็พิจารณาถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรเช่นรูปเสียงกลิ่นรสพุทพัพพลักษณะของมันเป็นอย่างไรตัวของมันคืออะไร แล้วก็เหตุเกิดของมันคืออะไรเหตุเกิดของมันคืออะไรแล้วก็ออสสาทะคือความพอใจหรือรสที่น่าพอใจของมันคืออะไรโทษของมันคืออะไรแล้วก็จะหาทางออกได้อย่างไรถ้ามันมีโทษนะครั บ, รบตอนนี้ผมมีความสงสัยอยู่อันหนึ่งซึ่งอยากจะปรึกษากับอาจา ร, รย์กระมนั่นนะครับครับครับอาจารย์ครับ คืออกฎหมายเลือกตั้งใหม่เนี่ยรู้สึกว่าวุ่นวายเกเิดกฎหมายที่เขาเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยนะฮ ะ, ฮะวุ่นวายสับสนอมีเรื่องอยู่ทุกคนทุกแห่งมีเรื่อง เ, เลือกตั้งกันใหม่มีปัญหามีจริงๆแล้ ว, ลวกฎหมายเพราะว่ามันก็ดีอยู่ในทนอาจารย์นะ<ำ>คนมันวุ่นวาย ครับคนที่ที่อยากจะได้เป็นผู้แทนอยากจะใหญ่อยากจะโตตรงเนี้ยพยายามหาทางทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาตรงเนี้ยกฎหมายเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะท่านอาจารย์ครับครับนั่นสิครับผมผมสงสัยครับผมผมไม่มีความรู้ครับอาจารย์ฮะครับผมสงสัยครับคือว่าเห็นว่าเหตุการณ์มันวุ่นวายมาก คือเมื่อไม่ได้ก็ไม่พอใจแล้วได้แล้วโดนใบแดงก็โหยิ่งหนักเข้าไปอีกครับไม่ยอมแพ้นะครับครับก็เลยสงสัยว่ามันมันบกพร่องหรือมันมีโทษที่ที่ระเบกหรือว่ามันมีโทษที่คนโทษที่คนคนของเราครับคนของเราใช่ไหมฮะครับอ่าแล้วเราจะออกอย่างไรคือจะหาทางออกอย่างไรก็ปรับที่คนกันเลยฮะครับครับ กระสมุทไทยของมันก็คืออยากได้นะฮะอยากได้ครับอยากได้อยากจะเป็นสสอยากได้ครับอยากได้เลยอมันก็มีรถอยากมีอำนาจรัฐต่อขึ้นมาอีกครับมันก็มีรถที่น่าพอใจของมันอยู่ครับเสน่ห์ของมันอะอย่างนั้นจะเสน่ห์ของมันอการเมืองมันมีเสน่หมีเสน่คนที่ ลงไปแล้วหรือเข้าไปเล่นแล้วมันเป็นยาเสพติดชนิดที่ยิ่งกว่ายาเสพติดทั้งหลายท่านอาจารย์อำนาจเนี่ยครับอ๋อครับออกมาที่อํานาจทางการเมืองอำนาทางการเมืองครับครับก็เลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นอาสาทะของมันครับอาสาทะครับเสน่์ของมันครับเสน่ห์ของมันครับเสน่ห์ของมันเป็นรสของมันเสน่ห์ของมันเสน่ห์ของมัน อันนี้ก็หลอดแอคตันนักรัทศาสตร์ของอังกฤนะฮะท่านก็บอกว่าอำนาจทําให้คนเสียอำนาจทําให้คนเสียอำนาจอำนา จ, นา จ, นาจเด็ดขาดทําให้คนเสียมากที่สุดครับ อ, อ น, นดีคนดีๆอยู่บางทีเพราะไม่มีอำนาจเข้าก็เสียคนได้ฮก็ทําให้คนเปลี่ยนแปลงได้ท่านอา<ช><ใ>จารย์ จากการที่เป็นธนาการเมืองมีอุดมการจากการที่โหทำงานเพื่อาชาวบ้านเพื่อประชาชนแต่พอได้อำนาจแล้วก็อาจจะลืมประชาชนได้ครับก็พระพุธทธเจ้าสันกัดเอไว้ในลาภสักการะสังส่งยุดสั่งหยุดในสั่งยุดนิกายด้วยสั่งยุดที่ว่าด้วยลาภสักกระารบบอกว่า ว่าดยรับส ก, การาะอะไรแบบนี้รับสการะชื่อเสียงเนี่ยทําให้ภิกษุเสียไปเป็นอันมากทําให้ภิกษุเสียไปเป็นอันมากถี่ว่าที่ที่ยังไม่เสียก็จะเสียครับที่ยังไม่เสียก็จะเสียที่เสียแล้วก็มีในนรับสการะอะไชื่อเสียงเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายนี่ผู้เจ้าจัดนะฮะจัด ก, กับภิกษุทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายจงเห็นโทษของลับส ก, การะนีให้เห็นโทษนะท่านอาจารย์นะจากที่นี้เอของเหล่านี้มันมีอัสาาัทธะคือมันมีมีรถที่น่าชื่นชมแล้วมีสเสน่ห์เรียกว่ามีสเสน่ของมันโดยที่สุดแม้แต่ยาเสพติดง่ายๆเช่นบุหรี่เนี่ยนะนะมันก็มีอสัทธะของมันอยู่ เพราะงนินคนจึงติดมันไม่งั้นคนก็ไม่ติก็ไม่ติดครับครับอทีนี้ก็อันนี้ก็ขอให้มนตรีการโดยใช้อยู่ในสมนตรีการว่าอะจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องให้ดูให้ให้ชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไระแล้วก็เหตุเกิดของมันคืออะไรครับอเพื่อจะได้เพื่อจะได้ตัด เหตุเกิดของมันเสียถ้าเผื่อว่ารู้แล้วว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นก็ตัดเหตุเกิดของมันลดอรอยของมันก็โทษของมันนะครับถ้าเป็นโทษไม่เพียงแต่รู้เฉยแต่ว่าต้องละด้วยต้องละหาทางออกให้ได้ครับครับครับิสระสะมสมุดไทยนี้ต้องละอย่าไปแทนต้องต้องหาทางออกใช่ครับใช่ครับ คือคืออันนี้ในที่นี้หมายถึงว่ารู้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรครับรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ค่อยหาทางออกเดีนี้ก็อันนี้ก็คงผ่านไปได้นะครับอาจารย์นะก็เลยไปถึงข้อที่เจ็ดคิดแบบหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียบคิดแบบหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมโยนนิโสมนสิกการแบบที่ว่า แบบคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมครับอยกตัวอย่างเช่นว่า <c oughs> เช่นว่าเงินเนี่ยครับเงินเงินนี้มันเป็นคุณค่าเทียมไม่ใช่คุณค่าแท้ครับอพูดอีกทีหนึงว่ามันเป็นกระดาษเปื้อนสีธรรมดานี่เองถ้าเกิดประกาศเลิกเมื่อไหร่มันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าอะไรนะครับครับก็ก็เหมือนกับใบลอตเตอรี่ท่านอาจารย์ครับ ถ้ามันไม่ถูกมันก็เศษกระดาษอ่าพอพอวันประกาศลอตเตอรี่ออกนะฮะใช่ครัเป็นวันที่หนึ่งผ่านไปแล้วคของวดนั้นก็เป็นเศษกระดาษเป็นเศษกระดาษไปถ้ามันไม่ถูกแต่ก่อนหน้านั้นโอ้ยหวังสิบห้าล้านยี่สิบล้านเพราถึงวันที่สิบหกอีกทีหนึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นเศษกระดาษคครรัับบมันไม่มีค่าเลยแล้วใช่ครับเพรเงินนี้ก็เป็นสิ่งสมมติใชายตามกฎหมาย อันนี้ก็ให้ตระหนักถ้าเราตระหนักว่ามันเป็นคุณค่าเทียมสำหรับไว้แลกเปลี่ยน <Okay. S 1> มีไว้สำหรับไว้แลกเปลี่ยนเท่านั้นถ้าไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนได้มันก็ไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราไปอยู่ในป่าซึ่งไม่สามารถจะซื้อของอะไรได้เลยเง <Okay. S 1> ินก็ไม่มีความหมายเลย <Okay. S 1> เสู้ชมพู่สักลูกหนึ่งก็ไม่ได้ S <S เ, เงินเป็นจำนวนแสนนี่ก็สู้ชมพูสักสั ก, ส, กสักลูกสักลูกหนึ่หรือสักกาล้าหนึ่ไม่ได้นะครับมันนนั้นมันเป็นคุณค่าแท้ซึ่งเราสามารถจะบริโภคได้กินได้เอาปัจจัยสี่เป็นตัวตั้งก่อนก็ได้นะปัจจัยสี่อาหารอเอาข้าวน้ำผลไม้ รวมความเป็นอาหารก็รเลกันอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้เป็นคุณค่าแท้คุณค่าแท้เพราะว่ามันสำเร็จประโยชน์ได้ในตัวเองแต่แต่ผู้ที่ต้องการหรือจำเป็นที่จะต้องใช้มันแต่เงินนี่รเรามีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนกับปัจจัยสี่เท่านั้นในตัวมันเองมันไม่มีคุณค่าอะไร ว่ามีเงินแต่ว่าปัจจัยสีทั้งสี่นี่มันไม่มีก็ไม่มีมมมคน่าย อ, อย่างว่าไปทะเลสายเนี่ยครับเดินทางทะเลสายซึ่งไม่มีของขายเลยเราเอาเงินไปสักกระสอบหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายอะไระหรือว่าทองคาซักกระสอบหน่งกับยินทพลัมักกระสอบหนึ่ง มันมันสูอินทรปลลำไม่ได้ตอนที่ผมไปเยี่ยมไปไปนักณฑิการุมพินีท่านอาจารย์ครับเมื่อปีหนึ่งหนึ่งหกอ่ะหนึ่งหกที่ไปหลังจากที่สอบเสร็จจากที่ที่ไมซ้อแล้วเนะครับที่ลุมพินีในช่วงนั้นไม่ค่อยไม่มีอะไรเลยนะไปก็คือทุกยากลําบากพอทมควรที่ไปถึงลุมพินีนะครับแล้วก็หิวน้ําไม่มีไม่มีน้ําให้ให้ซื้อเลยท่านอาจารย์มีตะหมากมีตะหมากคนแข่ขายหมาก อ่าครับก็เลยอดทั้งน้ำอดทั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทานอะไรเลยในช่วงนั้นกินมากแทนกินมากแทนก็เขียวเขียวเขียวพอมีนะพ่อมีครับเลยเงินตรงนั้นไม่มีคุณค่าเลยฮเคยเคยมีเรื่องเล่าในจารกัปราชกุมารปฐุมภมิกุมารท่านพาพัญญาไปพาพัญญาไปข้ามทะเลสาย แล้วก็มันไม่มีน้าอ่ะอยู่น้ามากก็เลยเจาะให้เจาะเลือดที่เขา่า ใ, <ห>ให้ดื่มให้ดื่มให้พันยา ด, ดื่มพระมหาประทุมากุ ม, มารใช้แทนได้อโอใช่เลือดแทนน้าใช้เลือดแทนนะครับดื่มเลือดแทนค บางคนนี่ต้องต้องปัสสาวะตัวเองใช่ไหมท่านอาจารย์บางแห่งก็ครับบางแห่งก็ทันดื่มปัสสาวะตัวเองครับรอดได้อ่ะแต่นี้บางคนก็ไม่ชินก็ไม่ไม่กล้าครับคือไม่กล้าดื่มปัสสาวะตัวเองก็ก็ตายคนที่ยอมดื่มปัสสาวะตัวเองก็รอดชีวิตรอดชีวตไรอดชีวิตมาได้อ๋อนี้เจาะเลือดเลยนะท่านประทุมมักุมานครับครับมัน คือว่ามันก็เป็นน้ำหมุนเวียนนี่ยนะฮะอย่างอยองปัสสาวะนี่ออกมาแล้วก็ดื่มเข้าไปก็ออกมาเป็นปัสสาวะอีกครับเป็นน้ํามหมุนเวียนอครั บ, รบนี่ก็อข้าวน้ำเนี่ยปัจจัยสีมันมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้ครับทีนี้มาถึงสุขภาพอสุขภาพนี่ก็เป็นคุณค่าแท้เพราะฉะนั้น คนเป็นจานวนมากหรือส่วนมากโดยมากเขาก็มองเห็นอันเนี้ยจึงได้ยอมเสียเงินเสียทองอะไรมากมายถ้าเผื่อว่าสุขภาพเกิดไม่ค่อยดีหรือสุดโศพขึ้นมาก็ยอมเสียเงินเพื่อซ่อมสุขภาพหรือเพื่อป้องกัน อ, อันตรายที่จะเกิดแก่สุขภาพแล้วก็บำบัด โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆยอมเสียกันมากมายนะฮะเพื่อเพื่อให้ได้สุขภาพเพราะว่ามันเป็นของของแท้มันเป็นคุณค่าแท้แต่แต่เงินนั้นมันมันเป็นคุณค่าเทียบ <Okay. S 1> เพราะนั้นในภาสิทธิ์ในทางพุทธศาสนาในสุทธโสมชาต ง, งบอกว่าสละสรัพ์เพื่อรักษาวัยญาณ ผู้มีปัญญาพึงสละทสั์เพื่อรักษาอวัย ว, วะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอพึงสละได้ทั้งอวัยทั้งรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้องหรือรักษาธรรมอันก็แสดงว่าธรรมเป็นสิ่งนี่มีคุณค่าสูงสุดครับือว่ามีคุณค่าสูงสุดแล้วมีคุณค่าสูงสุดในบรรดาสิ่งเหล่านั้นนะฮะทัะ้งบรรดาสิ่งทั้งสมอย่างนั้นทั้งสี่อย่างนั้น แล้วก็มาถึงเรื่องคุณธรรมคุณธรรมนี่ก็เป็นคุณค่าแท้แล้วก็บุญกุศลก็เป็นคุณค่าแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาด <c oughs> มาคิดหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมออของชีวิตแล้วก็ก็สามารถจะจ่ายเงินจ่ายเงินได้เพื่อ ปัจจัยสี่เพื่อสุขภาพเพื่อคุณธรรมเพื่อบุญกุศลอะไรนี้นะฮะแต่ถ้าคนที่ยอมละทิ้งสิ่งเหล่านี้เช่นว่าปัจจัยสี่ก็อยู่อย่างลำบากลำบนเหมือนเศรษฐีขี้เหนียวทั้งหลายนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ยอมไม่ยอมกินไม่ยอมใช้ไม่ยอม อ, อ, อะไ ร, รไม่ไม่ให้กินเองไม่สงเคราะห์ผู้อื่นไม่เก็บแต่เงินไว้ ่เห็นตัวเลขสมัยก่อนนี่ยก็เก็บกันเป็นทุงๆทั้งๆมาเวลานี้มันก็เก็บได้แต่ตัวเลขเห็นตัวเีขท่านอาจารย์ต้องขาวเข้ามาพอดีท่านอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งก็หลับเพลงหน่อยนาฬิกาปลูกแล้วไปกดมันก่อนแล้วก็เลยต่อเลย ไม่ไม่ไม่เชื่อนาฬิกาเป็นกันบ่อยอ่ะครับเป็นกันบ่อยนานๆนานๆจะเจอไม่สักทีนคนอื่นก็เป็นนะารับคนอื่นก็เป็นคนอื่นก็เป็นกันบ่อยอาจารย์ก็นานๆครั้งหนึ่งก็เลยว่าสิเด็ดมาก ท่านอาจารย์กาลังพูดถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมฟังฟังฟังวิทยุอยู่วิทยอบฟัมาจากวิทยุทางดูในรถนะครับครับครับตอนนี้ท่านได้พูดถึงคุณธรรมบุญกุศลซึ่งเป็นคุณค่าแท้นะครับครับทีนี้เมื่อคืออาจารย์ถามถึงเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะอ๋อใช่ครับผมผมลงปัญหาขึ้นมาอาจารย์กมลบอกว่าคนไม่ดีฮอเมื่อ ถือว่าคนไม่ดีเลยมันไม่ดีมันตั้งแต่คนล่างเหมือนด้วยนะใ ะ, ฮ ะ, ฮะ่ ง, ง, ง, งั้นเลยอ่ะครับคือผมผมไม่มีความรู้ครับมั่นใจ<อ>เคือนนถ้าว่าอคือวันด้วเยเลยมันต้องแตร่างรัะธรรมนูนมานู่นแหละออมาเื่อยมาเพราะมันความคิดมันอาจจะคือบางบางอย่าง ที่รอดตาช้างห่างรอดตาลินอย่างที่ประทิ์โบราณเราว่าเร็จะไปตีกรอบหมดว่าถ้าคนชั่วมาจะต้องออกกฎหมายไว้ยังไงยังไงตีไว้หมดเธอเนี้ยอันนี้ก็ไปคิดไปลักษณะแบบนั้นนะเธอเนี้เอาก็ิจริงไอ้คนชั่วที่เขาอยากจะเป็นจริงจริงเนี่ยมันก็ล้วก็ต้องหาทา ง, าทางจะเขียนไว้ ละเอียดทียังไงในพวกนี้เขาก็รอดไปได้เทนั้นครับถวว้าคนเนี่ยถูกแต่ว่าไม่ใช่คนเฉพาะไอ้คนเลือกตั้งเลยไอ้คนที่ล่างมันก็ต้องไปโทษ ด, ด้วยครับอขอโทษคนกันแล้วกันนะครับผ ม, ผม ต, บตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่า มันมันเป็นที่เราปบมันไม่ดีหรือว่าเป็นที่คนไม่ไม่ดีระบบก็คือคนใช้อ่าจารย์คนใช้ระบบคนทําขียบคนทําระบบครับแต่ก็คนใช้ระบบเล้วไปดูของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ไปเขียนอะไรเลยเลือกตั้งเนี่ยครัเขาไม่มีรายลักษณ์อักษรอะไรเขาประเพณีเขาเคยทำกันมาไงก็ทําแล้วก็ถ้าใครทําผิดประเพณีก็เกิดความละอายใจคก็คือถ้าคนถ้าคนเป็นคนดีได้อย่างนะจะ ถึงไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมันก็ก็ไม่เป็นไรอม่ก็ไม่เป็นไรนก็ไป ไ, รไปได้แคภาษาพระคนเก้ อ, อยากเลยทุ<อ>่ <laughs> ม, มมังกรคนเคยเคย<แ>สังเกตเห็นว่าในการเลือกตั้งขัง้นก่อนๆโน้นกฎหมายฉบอบก่อนอกกอนะก็ดูมันทีเดียวก็เสร็จกันคือมันไม่พิธีพิถันอะไรแก มนพิธีพิถันเมื่อไม่พิธีพิถันในคนโกงก็ไม่พิธีพิถันที่จะโกงอืทีนี้พอเข้าบังคับมันพิธีพิถันไอ้คนที่จะโกงมันก็ต้องพิธีพิถันมีขบวนการอะไรอะไรกันมากขึ้นเขามีวิธีแยบยลขึ้นใช่ไหมฮะอแล้วเมื่อก่อนนี่อ่าแล้วพออจะไปเลือกตั้งก็ไปกว้าดน็อกบัตรประจำตัวแต่ละคนมาเลยมาถือไว้ พอจะเข้าวผูหาก้าแจกคนระบายระบายระบายเอาเข้าไปกากัอนอย่างนี้ก็จงเพื่มเลยนะรับก็ง่ายๆอย่างเงี้ยโดยสบายเดียวมันก็มีวิธีการเงินเยอะแยะนะฮะครับตอนนี้เห็นบอกว่าเปลี่ยนมาซื้อหน่วยซื้อทั้งหน่วยเลยท่านอาจารย์ซื้อกรรมกา ร, รซื้ อ, อทั้งหมดเลยอ่ะซื้ อ, อตั้งเกอก็ต้อไปเลยซื้อมาหมดเลยอ๋ออย่างนั้นเลยก็มีกอกระต้อหลายจังหวัดที่ถูก ถูกปลดหมดเลยฮครับคืนหมาหอนไม่มีแล้วท่านอาจารย์ตอนเนี้ยเขาหมาไม่หอนแล้วไม่ไม่ไม่ใช่แล้วถูกซื้อใช่ไหมครับครับอ้โอันนี้ผมผมไม่ทราบเลยครับก็เลยถึงยกขึ้นมาถามใชาไหมครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นมันถึงยุ่งกันจังเลยก็มีบางจังหวัดที่เขาร้องเรียนมาปรากฏว่าคอประ่อทําเป็ไม่เห็นเลย ทำไปไม่เห็นอ่านหาไม่เจอ<ก>หาไม่เจอก็ไม่ต้องเอามาพิจารณาก็มีก็รวงความแล้วก็แล้วก็คนนี่ละกันแต่ว่าคนม่นมันก็หลายกระบวนการนะฮะที่ทาให้เกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็ผมขอพูดต่อนะครั บ, รบต่อไม่แ จ, จ้งคิดแบบคุณคาดแค้คุณคาดแท้คุณคาดเทียมนีเอ่ สำคัญมากนะครับถ้าเรื่อว่าเน้นย้ําให้สังคมของเราได้พิจารณาโดยรอบคอบโดยดีท่วนโดยลึกซึ้งถึงว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้อะไรเป็นคุณค่าเทียมทีนี้ในในแง่หนึ่งที่ท่านเจ้าขุนวัฒนวิศกท่านพูดถึงเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเนี่ยค อย่างเรื่องข้าอาหารเนี่ยคุณค่าแท้ของมันก็คือกินเพื่อที่จะให้ร่างกายนะมี ก, กาลังแต่ว่าปัจจุบันนี้คนก็ไปติด เ, เรื่องกินแล้วเพื่อให้ไปบรุงร่างกายให้มีสุขภาพดีไม่ค่อยคิดเดี๋ยวไปคิดกันว่ากินอย่างไรถึงจะก้กินอย่างไรถึงจะอวดสักรากินอย่างไรถึงจะอวดความร่ารวยความมั่งมีจะไปลักษณะอย่างนั้นไปก็ไปติดให้คุณค่าเทียม ก็ไปไปเข้าลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านชนะมนะครับก็ไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อเมาฮไม่กินเพื่อความเปล่งปลังสวยงามครับนั่นนะฮะไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเป็นอย่างนั้นกันไปแต่ทีนี้มันกลับตรงกับทำอย่างนั้นเสียครับที่ท่านบอกว่าอย่าทํากลับไปกลับไปทําครับว่าให้กินเพื่ออนุเคราะห์กรรมอาจารย์คือยังยังนาฬิกาข้อมือเนี่ยอาถ้าจริงจงถ้าจะซื้อกัน เรือนเนี่ยอย่างของผมเนี่ก็100ร้อยกว่าบาทนมันค่ดูเวลาได้แต่ว่าไอ้นี่คือคุณค่าแท้ก็คือดูเวลาของมันครับแต่ปลูกไม่ได้นะแต่ปลูกไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ราคานาฬิกาเรือนหนึ่งก็เป็นเป็นล้านก็มีครับอืออไปไปติดไอ้เครื่องประดับไอ้ที่มันไม่ใช่คุณค่าของมันในเรื่องของการดูเวลาครับไปไปไป ไปติดที่คุณค่าเทียมคถึงว่าไปที่คุณค่าเทียมไปไปให้คุณค่าเทียมออที่จริงการการสอนศาสนาให้คนตั้งอยู่ในคุณธรรมให้คนให้คนอยู่ในสัมมาอาชีวะให้คนประพฤติธรรมให้คนเป็นคนดีเนี่ยนะฮะมันก็เป็นคุณค่าแท้ของของสังคมอนะครับแต่ว่างานทางด้านนี้ รู้สึกว่าค่อนข้างจะอัจจะคัดขัดเกรนนะครับอาจจะคัดขัดเกรนแต่ว่าในบางอาชีพเนี่ยซึ่งมันไม่มีคุณค่าอะไรต่อสังคมแต่ได้รับการสนับสนุนมากมายอถ้าเผื่อว่าไปไปชนะมาอะไรก็จะได้เงินเยอะครับได้เงินเยอะก็ก็ไม่ต้องอะไรเมื่อก่อนนี่เราก็มาเปรียบเทียบกันนะว่ามี ทหารรับรายการทหารเนี่ยคนหนึ่งไปไปปราบปรามผู้ก่อกันร้ายขาหักแขนขาดตาบอดมาก็ได้รับค่าเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสี่แสนห้าแสนอันนี้อันนี้คือหน้าที่แท้ของทหารเมื่อปฏิบัติไปแล้วถ้าประสบผลอะไรขึ้นมาจะได้แค่นี้แต่ว่า มีทหารบางคนไปชกมวยเกิดได้เรียทองขึ้นมาครับอันนี้ไม่ใช่คุณค่าแท้ของทหารครับโอ้ได้เงินเงินสามสิบสี่สิบล้านน่นเสยมีได้บ้านได้รถยนต์ได้อะไรต่ออะไรรอ่าทรทัศน์ทีวีก็เชิญออกทุกวันครับแต่คนที่ไปทำหน้าที่แท้ๆคุณค่าแท้ๆปรากฏว่าก็มึงอยากไปเนี่ย แล้วอย่า ง, างครูบางคนครูประชาบาลนะคร<ช>ับครูประถมบางคนเนี่ยสอนนักเรียนทั้งออกเงินเองทั้งช่วยเหลือนักเรียนทั้งทําทุกอย่างนะฮะก็เงินก็ไม่พอใชรับเกือบจะไม่ได้การสนับสนุนนะ่ะนีค่คือคุณค่าแท้ๆของของการที่ทําให้เด็กเป็นเด็กดีให้ทําให้เป็นคนเป็นคนคแต่ว่าเราให้ค่าน้อยเกินไปครับ ว่าสิ่งที่มันมีค่าผิวเผินผัดผัดเผินผิวเผินอย่างเงี้ยก็คนก็ไปให้คุณค่ามากเกินไปก็แสดงว่ายังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้อะไรเป็นคุณค่าเทียม อ, <c oughs> อย่างเงี้ยที่ผมเคยยกตัวอย่างที่พระเดกปานท่านบอกว่ามันมันไม่ใช่รถคืออนุสาหจารย์บางคนไป มีชื่อเสียงในด้านด้านกีฬาด้านยิงปืนด้านอาฟุตบอลด้านเวทิด้านน่ยครับท่านาก็กลัวเฉลิงท่านก็เรียกมาอบรมบอกว่าก็มันก็ดีละแต่ว่ามันไม่ใช่รถของอนุสาสนาจารย์ครับรถของอนุาสนาจาร์นั้นต้องเก่งในทางที่จะสอนให้คนคนไม่ดีเป็นคนดีครับอันนี้คือรถที่สําคัญเลยแต่ก็คือคุณค่าแท้อน่ย แต่แม้อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเลยคือคุณค่าแท้แต่ท่าอาจารย์ปานท่านใช้คําว่ามันหว่าใช้คําว่ารถครรัับบคคําว่ารถในที่นี้อติบความหรือแปลว่ากิจก็ได้นะครับเป็นหน้าที่ใช่ไหมแต่ว่ากิจก็ได้ไม่ใช่กิจของอนุสาสนาจารย์เป็นหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ของอนุสาสอาจารย์ได้ครับคือไอ้ที่งานในหน้าที่ไม่เก่งแต่แหวะไปเก่งในงานที่ไม่ใช่หน้าที่ครับ อันนี้ก็ไปเข้าพระพุทธภาษิตนะครับที่ว่ายำหิกิจจังตะดาปวิ ท, ท จ, จังอกิจังปณะกริยติสิ่งใดที่เป็นกิจเธอทอดจริงสิ่งนั้นเสียสิ่งใดที่ไม่ใช่กิจกลับไปทำครับกลับไปทำสิ่งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อาสวะก็จะเพิ่มผุนมาก<อ>ขึ้นอาสวะจะเพิ่มพูนจะเพิ่มผูนมากขึ้นเพราะเหตุที่ว่า ไปไปทอดทิ้งสิ่งที่เป็นเป็นหน้าที่แล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่น้าที่อันี้มาว่าพูดถึงเรื่องนี้เราก็อยากจะมาเปรียบเทียบแต่พระคุณเจ้านี่ึงเนียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปไปว่าท่าน น, นะนะเออเรามาดูอย่างการให้สมณศักดิ์พระเนี่ยครับเร า, าไปดูองค์ที่ท่าน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาใจในการาศึกษาเร้าเรียนอบรมสั่งสอนปฏิบัติตัวดีส่วนมากไว้ค่ได้รับการพิจารณาครับแต่ส่วนส่วนมากกา็เอาจะไปเรื่องก่อสร้างคือเรื่สําคัญคือท่านปฏิบัติตัวดีนี้ท่านก็ไม่สนใจนันจ่นเองถ้ไม่สนใจก็ไม่อยากจะส่งประวัติท่านไปเสนอครับ เพราะท่านไม่อยากจะได้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยทีนี้องค์ทีอ่อยากได้ก็คือจะเสนอประวัติทำอะไรบ้างรายละเอียดยิบเลยนะครับ<ไ>อันนี้จะบองว่าเป็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมได้รป่าครับก็ใช่ครับใช่เกิดคุณค่าเทียมนี้มันเห็นง่ายครับเห็นง่ายคุณค่าแท้ค่อนข้างจะเห็นยากเห็นยาก ก็เขามีเยอะพระยังหลายโูกเลยนะที่มีปฏิปทาแล้วก็ทํางานทําการไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอย่า ง, งาที่อยู่ทุกทกวันเนี่ยผมยกแต่หลา ย, ยคนอาจจะมองว่าไม่ดีนะทั้ ง, งหลายท่านที่มาทํางานสั่งสอนประชาชนมีเรียกว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องท่านเหล่าเนี้ยแต่ว่าไม่ได้รับการพิจารณา ก็เรื่องนี้สาคัญนะครับเรื่องนี <ellt Mandarin> ้สำคัญอย่างความสุขอย่างความสุขก็เหมือนกันความสุขก็มีความสุขอย่างแท้ความสุขอย่างเทียบแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะคิดแบบนี้ให้สมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ก็ต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้ ดูให้ออกว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้อะไรเป็นคุณค่าเทียมแล้วความสุขที่แท้กับความสุขเทียมเป็นไงฮะอาจารย์ความสุขเทียมก็เอเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกนะครับอความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกถ้าจะใช้เป็นตับก็น่าจะเป็นสามิตสุขครับสุขที่เจือด้วยอามิตหรือว่าสุขแท้สุขต้องต้องมีตัวล่อ อ่าใช่ครับสุ ข, สขที่มีเหยื่อใช่ต้องมีเหยื่อหรือถ้าพูดอย่างชาวบ้านหน่อยให้มันชัดออกมาหน่อยเช่นว่าสุขจากทำาบา ย, ยมุกครับครับสุขจากทำใบ ย, ยมุกนี่มันก็เป็นสุขเทียมไหนนั่งเล่นไพท่ทั้งคืนเนี่ยโหเฮ่เนีครับดูว่ามีความสุขไหมันเป็นสุขเทียม แต่ท่มันเห็นง่ายอะครับช <c oughs> นะแท้สุขแท้สุขเกิดจากคุณธรรมสุขเกิดจากการบำเพ็ญความดีบำเพ็ญกุศลขยันหมั่นเพียรอะไรต่างๆนี่มันเป็นความสุขจ <c oughs> ิตแท้แต่มันเห็นยาก <c oughs> แล้วต้องมีปัญญาจากสู่หน่อยสมองจิตเอาเป็นเป็นหนุ่มๆล้วไปนั่งรถไปหาสาวๆนะ อ ย, ยู่ไกลนะก็ับขึ้นรถรถก็เน่นยืนโหนไปเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ใจก็ยังมีความสุขเลยนะแต่ทั้งทั้งที่ยืนเมื่อเหน็บทีแล้วเหน็บขึ้นอีกแล้วเนี่ย อ, กก อ, อันนี้ก็ก็อยอมทุกข์ยอมยอมทุ ก, ทกข์โดยมองว่าเอให้้ไดสุโดยมองว่าเป็นความสุขอให้ไให้ไดสุ<อ>ที่หวังที่คาดหวังเอาไว้คร<อ>ับวาจะได้ นี่ก็อันนี้ก็น่าจะผ่านไปได้นะครับครันะนี่มาถึงข้อที่แปที่แปดครับข้อที่แปดทิศแปบดบอุบายเล่าคุณธรรมออันนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับข้อที่ว่าอุ ป, ปัฏฐกะมรณาธิกานในข้อใหญ่ในข้อสี่ใหญ่นะฮะครับเร่าคุณธรรมเมื่อมีความเพียรหยด์ก็คิดหรือพูดให้มีความเพียรมากขึ้น พยายามคิดว่าคิดอย่างไรความเพียรมันถึงจะเกิดขึ้นดีขึ้นฉันว่าอันนี้ขนาดเราไม่มีความเพียรอย่างไดแค่นี้เรามีความเพียรอย่างได้แค่นี้ถ้าเราหย่อนความเพียรมันจะได้สักเท่าไหร่ก็คงจะได้น้อยกว่านี้คงจะแย่กว่านี้หรือว่าใครที่มีความเพี ย, ยรย่อดหยอนก็พูดให้เขาพูดให้กำลังใจให้เขามีความเพียรมากขึ้น เป็นว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทาต้องทาเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีทุกคนจะต้องทำว่าถึงพรุ่งนี้จะต้องตายแต่วันนี้ยังทำความเพียรได้ก็ <Okay. S 1> ต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่ที่ชอบทำของมนุษย์ที่ดีทำนองนี้ก็เรียกว่าคิดหรือพูดเพื่อเลาคุณธรรม เคยใครว่าต้องให้กำลังใจใช่ไมใช่ครับพูดแบบ ใ, <ช>ให้กำลังใจว่าเอาละเเกิดมาเนี่ยมันต้องทมให้ได้เก<ช>ิดเป็นคนทั้งทีเนี่ยเราไม่ไที่จะบอกว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้นะ<ช>ตายไปทั้งทีต้องฝากดีตาไว้แือว่า <ๆ S 2> บางทีก็นึกถึงว่าถ้าอยู่อย่างโง่อยู่อย่างเป็นคนโง่ก็ จะอยู่เลยถ้าเราถ้าเราจะแสวงหาความรู้จนถึงกะตายไปแล้วว่าตายไปอย่างนั้นก็ดีกว่าที่จะอยู่อย่างเป็นคนโงูถ้ารอดไปก็จะเป็นคนฉลาดลาลองนี้ในในในในมีภาษาบาลีอยู่สองประโยคเข้าใจว่าคงจะแต่งกันมาภายหลังคือที่หมวกของทหารรักษาพระองค์เนี่ยเขาจะเขาจะ จารึกเอาไว้เป็นภาษาบาลีเขาบอกว่าสังคาเมเมมะตังเสยโยยันเจชีเวปราทิโตครับวกว่าตายในสงครามดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้อันนี้ก็คำพูดทำนองเดียวนี้ไหมจ๊ะครับครับออ ไ, มไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าแต่งภายลังหรือว่าจะมีในชาตกอะไ ร, รบ้างหรือเปล่าแต่ว่าจารึกไว้สมัยรัชกาลที่ห้าครับ สังคาเมเมมัตังเสอยโยยันเจเ ช, เ ช, เชีเวปราทิโตบตายในสงครามาดีกว่า <ใน S 2> อยู่<ร>อย่างผู้แพ้นี่ก็ปลุกใจทหารเหมือนกันใ ช, ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดแบบร้าวคุณธรรมร้าวคุณธรรมร้าวคุณธรรมอันนี้ก็เมื่อทอถอยในความดีก็คิด คือพูดให้มั่นคงในความดีก็มีบ่อยนะครับเพื่องคนทอดถอยในความดีนะทำไปทาไปบจะลังเลแะแล้วไม่แน่ว่าบางทีเนี่ยคนเขาก็ยังกัาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านก็มีวิธีวิธีว่าลูกศิษย์ให้เกิดมุมานะขึ้นมาที่จะทำความดีนะเห็นลูกศิษย์ขียช้าครบมึงขยนนะันสู้หมาเขาไปได้ โอ้โหครับนี่เราไปเรื่องเป็นเรื่องเลยลูกศิษย์คนนั้นถ้าคิดคิดออกนะขยันทํางานทําการเป็นเรียกว่าจนสําเร็จแหละต้องเอาชนะมาให้ได้นะฮะต้องเอาชนะมาให้ได้เพื่อที่จะลดความสุประมาตของอาจารย์ต่างต่างเคราะห์แรงๆก็มีเพื่อนผมอยู่คนนะฮะเขามาเรียนตอนนั้นเขาเป็นเนตรอยู่เรามาจากต่างจังหวัดก็ เอเจ้าวาดก็ดูถูกเอาไว้ครับอ่างอย่างเธออไปเรียนก็ไปเรียนก็ไม่สำเร็จหรอกน้ําหน้าอย่างนี้น่ะนใช่ครับหัวน้ําหน้าอย่างนี้เขาเขาเรียนจนสาเร็จเขาคิดถึงเรื่องคเนี้คำทีท่านเจ้าวาดที่ต่างจังหวัดเจบประมาทเอาไว้คเป็นกําลังใจก็ตอนอท่านอุปชาผมนะฮะตอนผม ลามาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ไปลาท่านพอไปกราบบอกกับผมจะลามาอยู่กรุงเทพโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยไปให้มึงไล่เลย ไ, ไล่อย่างเั้นแปลว่ามึงข้ามหัวกูใค้ลักษณะแบบนั้นน ะ, ะคือไม่มีคนปรนิบัติอขาดคนปรนนิบัติใช่ไหมไม่ใช่ ท่านคล้ายๆว่าเราไปดูถูกท่านเทนที่จะมาหาว่าหาว่า ม, มาไปบอกท่านก่อนให้ท่านมาดูแล อ, อะไร อ, อะไรเนี่ย<อ><อ>ท่านพูดในลักษณะนั้นนลยหรืว่าห่วงไว้ให้ปลอไม่ใช่ท่านก็นว่าเสียหายเลยเมือนข้ามหัวกูเมือนไม่ต้องมาลากู้ไปเลยอ่าเรือ่อเราอะไรกันเข้ามามาเรียนหนังสือก็ไม่ได้ไปหาท่านเลยจนกระทั่งอายุครบยี่สิบ ก็ไปนิมนต์ท่านเป็นอุปชาท่านก็ท่านก็ถามว่าเองจำได้หรือเปล่าทอดที่มาลาฆ่าแล้วก็ฆ่าตะเพิดเองบอก็กาจำได้บอกว่าทำไมค่าต้องทำท่านก็เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเนนแต่ละองค์จะมาอยู่กรุงเทพก็ตั้งให้ท่านมาหาวัดให้ผ้ามาส่ง แต่แล้วพามาส่งพระแต่ละเดือนก็ไม่มีเงินก็ต้องมาขอมาอะไรตออะไรโอ้มันยุ่งยากไปหมดแหละคราวนี้ใครจะไปกูด่าเลยมันไปสุดตัวเลยเราไปสุดแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็กลับมาพอไปได้ดีเดี๋ยว่ากลับมาอันนี้อย่างนี้ก็มีครับมันแล้วแต่แล้วแต่อุบายแล้วแต่อุบายของของอาจารย์เนี่ยนะ การเวลาล่วงเลยไมเยอะเลยครับครับแต่ท่านฟังที่คุณรบคขณะนี้ท่านกาลังติดตามเราฟังรายการธรรมะร่วมสมัยถ้าอาจารย์วศิณก็ได้นําแนวความคิดแบบอริยสัจสี่ข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เข้อที่หกครับข้อที่หกครับข้อที่หกว่าไงนะครับคิดหาโทษหาคุณโทษและทางออกนะครับครก็แล้วก็ข้อที่เจ็ดคิดแบบ หาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมแล้วก็ข้อที่แปดเป็นความคิดแบบร้าคุณธรรมครับสบวนนี้ก็ท่านทั้งหลายฟังแล้วมีอะไรที่จะเพิ่มเติมท่านเฉลิมศิลป์หรือว่าจะมีข้อเสนอแนะย่างไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับมาแล้วไม่ทราบว่าใครครับคนล้มตาลมตารมตาล้มตาครับเอลมการล้งตาครับ อะจะเจริ์บอลคุณโยมทั้งสอ ง, งก็คุณโยม อ, อาจารย์วสินด้วยครับสวมทั้งผู้ชมเอผู้ฟังทางบ้านอาจามาได้เห็นคุณโยมพูดกันถึงเรื่องการออกกฎออกกฎเนี่ยสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงวินัยเอาไว้เพื่อควบคุมคนทีนี้การควบคุมคนด้วยกฎเนี่ยต้องหมายถึงคนที่มุ่งจะไปในทางดีจึงจะเอากฎเข้ามาตรลอมได้ ใช่ไหมคุณโยมครั บ, รบแต่คนที่เข้าม า, าแสวงหาอำนาจมื่นอำนาจมัวมาอะไรทั้งหลายเนี่ยยิ่งเอากดไปนั่นนหะมันก็ยิ่งเลี่ยงยิ่งหลบไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นภาวินัยที่เกิดขึ้นมากก็จริงแต่ก็มีผู้บรรลุธรรมคือเป็นอรหันต์มากใเพราะฉะนั้นกฎที่ออกมาเป็นกฎหมายทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังมีคนที่เรียนกฎหมายมา เพื่อจะไปช่วยคนคนผิดูุณ่างไงแต่ <c oughs> คนดีมันเอาผูดถึงคนดีมันช่วยแนละ้วก็มีคุณแต่ไปช่วยคนผิดไปแก้ต่างไปวิ่งเต้นไปทําอะไรกันเลือกตั้งก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้ามองผิวเผินแล้วเนี่ยอาตมามองเห็นว่าเหมือนแก่คนไทยเนี่ยน่าจะผูมใจเวลาเลือกตั้งเนี่ยเหมือนคนแย่งเข้าไปจะทําความดีกันมากมายลักเรียน <c oughs> ประเทศมันน่าจะเจริญมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วใช่ไหมคุณโยมพระแย่งแย่งจะเป็นคนดีใช่จะไปทาดีแล้วก็เข้ามาอาสาเหมือนกันเลยทุกคนโอ้โหมีตะโกงการดีๆอะไรดีๆทั้งนั้นอแต่ที่แท้จริงผลออกมามันไม่ใช่อ่ะก็แสดงว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้น่ะยังใช้ควบคุมคนไม่ได้แล้วคนที่จะออกกฎก็อย่างที่คุณโยมต้องข่าวว่า กูยังไม่พร้อมคือเป็นลักษณะว่าออกแล้วกูก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ทำด้วย <c oughs> สร้างบ้านจริงแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่ด้วยเพราะนั้นจะรั่วจะไหลยังไงฉันไม่เกี่ยวแล้วคนที่จะมาคุมกฎอีกจะเห็นว่าความบกพร่องอยู่ที่ตรงนี้มากมายอย่างที่เราได้เห็นข่าวก็ดีได้รู้เรื่องก็ดีเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นให้คนที่ตรวจสสก็ค <Okay. S 2> ือกกตอนั้น okay. ก็ตรวจอย่างทียิบเลยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นประชาชนมาตรวจก็คอตออีกที <c oughs> แล้วไอ้กฎหมายก็ไปตรวจกับประชาชนอีกทีมันเลยไม่รู้จบไม่รู้ใครเป็นกรรมการไม่รู้ใครเป็นเป็นคนเล่นกีฬาไม่รู้ใครเป็นคนเคียตีกันเหมือนฟุตบอลที่เราเห็นที่มันมีตีกันกั็ว่าหนึ่งกรรมการหย่อนญาติ <c oughs> อันนี้สองผู้เล่นไม่มีคุณธรรมคือ <c oughs> รวมแล้วก็คือคุณธรรมอื <c oughs> เพราะฉะนั้น ชาวไทยเราตั้งหลายตอนนี้นะี่ยถ้าเรามีคุณถรมเสียสสก็จะมาเข้ามาตามกติกาอย่างที่คุณโยนชมถึงประเทศอังกฤษอาตมาก็ไม่เคยไปแต่ก็อ่านหนังสืออ่านข่าวอยู่เขาเรียบร้อยเพราะเขาอยู่ในกติกาของแต่ละคนมันจริงไม่เดือดร้อนใช่ไนหะ